นะก็บวัวจนแล้วอะไรกันออกมาแล้วเนี่ยหัดจบบ้างอัตนนมาถึงบอกว่าถ้าเป็นภิกษุเนี่ยถ้าผ่านที่ประชุมแล้วถือว่าตัดสินดีแล้วนี่ใครมาลื้อฟื้นนี่ถือว่าอาบัตเลยถือว่ามีความผิดเลยนะเนี่ยก็เป็นวิธีการที่พระเจ้าเนี่ยท่านจะให้หัดจบลงซะบ้างไม่ใช่พอไม่สมใจแล้วก็จบไม่เป็นเลยนะพอไม่สมใจมันดิ้นใหญ่สิ ดิ้นทุรนทุนทนลายดิ้นอย่างงั้นดิ้นอย่างนี้โอ้โหนักเก่าๆนะไปคิดหาเหตุผลเล่นะหอเหตุผลเถียงบางทีเผลอๆนี่โอ้โหไปแตกแะแนงเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวคราวหนะ้ากลับมาพูดอีกเต็ไมไปหมดเลยเหตุผลท า, ทางทางที่บางทีเอาหมู่เขาไม่เอาอเพราะบางทีบางอย่างเขาต้องหัดจบให้ได้ด้วยไอเถียงนี่ไม่ใด้เป็นประเด็นสําคัญนะแต่ต้องหัดจบ อันนี้อ น, นีเป็นนะสามาไม่รอไม่หวังแต่เราทำส่วนอีกอันหนึ่งระวังทำงานอย่าสร้างศัตรูอาตมาอยากจะพูดเป็นสองในยะให้พวกเราฟังคือส่วนใหญ่เนี่ยโดยทั่วไปเราคงฟังเข้าใจอยู่ว่าระวังทำงานอย่าสร้างศัตรูนะก็คงเข้าใจอยู่ว่าว่าไปทำงานอยู่ส่วนไหนทำที่ไหนก็อย่าไปให้ ใครมาเป็นศัตรูเราเพิ่มเข้ามาอีกนะไอ้ประเด็นนั้นอตาตมาไม่อธิบายมากละคิดว่าเราก็คงพอจะเข้าใจอะนะไอ้อ น, นันก็พูดง่ายว่าถ้าใครเนี่ยแข็งกระด้างใครทําอะไรที่ไม่คิดถึงใจคนอื่นเขาบ้างทําอะไรที่บางทีไม่นึกว่าใครเขาจะรู้สึกยังไงใครเขาจะคิดยังไงเราจะเอาแต่ตามใจเรารับรองคุณสร้างศัตรูแน่นอน ที่มาของโลดเนี่ยนะผู้ให้ฟังหน่อยๆที่มาของโลดเนี่ยทำดีมีพวกเราเนี่ยทำดีแต่ทำดีแล้วปรากฏว่าขัดแย้งขัดแย้งกับคนมากนะอาจจะอาจจะส่วนหนึ่งก็แล้วกันอ่อาาแต่พอขัดแย้งแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ อีกส่วนนึงเนี่ยรับไม่ได้เลยทั้งๆที่ก็ก็ก็หมู่เดียวกันนี่แหละพักพวกเดียวกันมันทำอย่างนี้แล้วมันอาจจะทําให้แตกกร้าวได้ในหมู่อาจจะแบ่งพักแบ่นพวกก็ได้ว่าอันนี้ไม่คุ้มเพราะการทํางานเนี่ยทําไปแล้วมันควรจะสมานใช่ไหม มันควรจะทาให้หมู่กลุ่มเนี่ยเกิดความสามาัคคีกลมเกลียวปรองดองกันมากขึ้นไม่ใช่กลายเป็นว่ายิ่งทําก็ยิ่งโอโ้ยิ่งผิดพ้องบองใจยิ่งโกรธยิ่งเกลียดชังกันมากขึ้นอา้าวต่อให้คุณทํางานสาเร็จด้วยแต่คนที่อยู่ด้วยกันมีความสุขไหมไม่มีความสุข งานสำเร็จมันก็เป็นแค่วัตถุเป็นแค่สิ่งของเป็นแค่ข้าวของเท่านั้นเองแต่คนอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขแล้วมันมันจะมีประโยชน์อะไรกันนกันหนาล่ะไม่มีประโยชน์ใช่ไหประโยชน์มันน้อยกว่าเพราะฉานันอันนี้นะอันนี้นี่นี่โดยข้างนอกเองแต่ตอนนี้อาตมาอยากจะพูดว่าระวังทำงานอย่าสร้างศัตรูโดยเฉพาะศัตรูภายใน ไม่อตาตมาไม่พูดถึงศัตรูภายนอกภายนอกคุณพอเป็นดึกต่อได้แต่ศัตรูภายในอะไรคือศัตรูภายในฮะเอ็กิเลตของเราตัวอะไรบ้างอะเอตัวรักตัวชอบตัวชังตัวโกรธตัวมานะตัวถือดีตัวอะไรนี่ศัตรูภายใน ซึ่งอาตมาว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอทํางานทํางานไปเนี่ยคอยจ้องศัตรูภายนอกอยู่เรื่อ ย, ยใครม้างไรม้างไรมัง่งเป็นศัตรูภายนอกอืมแต่ศัตรูภายในเนี่ยไม่เคยไม่ค่อยมองหรอกมองข้ามไปหมดไปมองแต่ศัตรูภายนอกอาตมาบอกได้เลยถ้าใครเนี่ยยังไม่สามารถปฏิบัติธรรมที่มองเห็นศัตรูภายในของเราได้คนนั้นไม่มีสิท ธ, ธิ์พ้นทุก ไม่มีสิทพ้นทุกข์ไอที่พ้นทุกพ้นทุกนะ่ะฟุบฟุบฟุบฟุบเท่านั้นเองเพราะว่าไอที่พ้นทุกพ้นทุกยืนยันได้เลยว่าไม่ได้พ้นทุกเพราะตัวเองทำให้พ้นทุกแต่พ้นทุกเพราะบางทีคนอื่นเ็าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพราะว่าเราคอยดูศัตรูภายนอกเขาเปลี่ยนแปลงเราถึงเออพ้นทุกได้อันเนี้ยอันเนี้ย ระวังให้ดีนะเรื่องของศัตรูภายในซึ่งที่อาตมาย้ำตรงเนี้ยเรื่องของศัตรูภายในเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเผลออยู่เรื่อยนะเรามักจะพลาดเรามักจะมองออกนอกตัวอยู่เรื่อยมองออกนอกตัวไปทำงานกับใครก็ตา ม, อมอคาอยมองคนนั้นคอยมองคนนี้ดูสิกินแล้วก็ไม่ล้างอืมดูสิ หันแล้วก็ทิ้งหางเอาไว้อืมดูสิเนี่ยไม่เข้าแถวเลยก็มาตักตักเอา <c oughs> ก็จริงนะไอ้ตามที่มองก็ของจริงอะนะแต่ไม่เห็นต้องทุกขน์นี่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ไม่เห็นต้องมองเขาเป็นศัตรูด้วยนะอือซึ่งในขณะนั้น่ะความเป็นจริงแล้วลืมมองตัวเองไงโอ้โหทําไมเราต้องถือสาขนาดนี้ ทำไมเราต้องไม่ชอบอกไม่ชอบใจขนาดนี้ด้วยอ่ะนเนี่ยเห็นศัตรูพวกนี้ไหมตัวถือสาตัวอึดอัดขัดเคืองตัวไม่ชอบใจของเราที่มันเกิดขึ้นส่วนใหญ่เผลอๆนะไม่เพียงแต่ไม่นึกว่ามันเป็นศัตรูนะนึกว่ามันเป็นเพื่อนฉันด้วยพอมันเกิดขึ้นมานี่ปรุงปุงตามใหญ่เลยนะพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเนี่ย เมื่อวานนี้ก็กินแล้วก็ไม่ล้างวันนี้ก็เอาอีกแล้วเอาละปุงมาใหญ่เลยนะคือนึกว่าไ อ, อ, อ, อ้จิตที่เกิดขึ้นอันเนี้ยไอ้ศัตรูตัวเนี้ยนึกว่ามาเป็นเพื่อนไปตามมันเลยไปตามมันเลยอย่างเงี้ยอัตมาถึงบอกถ้าใครตามจิตตรงนี้ไม่ทันคุณแก้ไม่ได้หรอกแล้วคุณจะพ้นทุกได้ก็คือบอกแล้วสถานการณ์หรือสิ่งอื่นภายนอกแก้ได้คุณถึงจะพ้นทุก แต่ไม่ได้พ้นทุกข์เพราะตัวเราเองแก้หวังคนที่จะพ้นทุกข์จริงเนี่ยต้องแก้ได้ด้วยด้วยด้วยจิตของเราเองด้วยตัวของเราเองเพราะเนี่ยเท่าทันกิเลสของเราแล้วเราก็เลยโอ้โหรู้ตัวแล้วไปถือสาเขาทาไมเราน่าจะถือศีลของเราให้มันดีแทนที่จะไปถือสาเขาอืมนะไปริษยาเขาทาไมเดี๋ยวก็เป็นรีสีดวงหรอก เออเพราะฉะนั <l ittle foss es> ้นแล้วเนี่ยนะอยากฝากพวกเราเนี่ยแหละระวังตรงนี้ให้ดีนะส่วนอีกสโลกสุดท้ายนะใจเจ็บไม่มีใครเจ็บใจคืออัตตาบ้าสโลกนี้ก็มาจากนะพวกเราที่ทำดีนั่นแหละพอทำดีไปแล้วทำดีไปแล้ว นะก็นั่นแหละมีคนติมีคนว่ามีคนค้านแยงมีคนไม่เห็นด้วยนะเขาก็ต่อว่าตอขานมาบางครั้งอย่างที่บอกอะ่ะบางทีเราก็อดน้อยใจไม่ได้อดเสียใจไม่ได้ใจมันก็เลยเจ็บนี่แหละใจมันเจ็บแต่ในที่นี้เขาบอกว่าใจเจ็บเนี่ยไม่มี ทำไมถึงบอกว่าใจเจ็บไม่มีเพราะคนเราเนี่ยมีหัวใจอยู่ดวงหนึ่งใช่ไหมหัวใจดวงเนี้ยก็เต้นอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะเต้นตุบตุบตุบยกเว้นคนเป็นโรคหัวใจนะหลอดเลือดมันเดินไม่สะดวกตีดตันหรืออะไรมันถึงจะเจ็บหัวใจขึ้นมานะแต่ทนนั้งก็เจ็บอวัยวะใช่ไหมอืม แต่ในที่นี้ที่บอกเนี่ยว่าใจเจ็บไม่มีเนี่ยเพราะว่าโดยสภาพจริงๆของของสรีระของร่างกายเราเนี่ยโอ้คนมาติคนมาดา่าคนมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ใบแบกบคุณไม่ไปรับคุณไม่ไปไอ้นั่นเอาไว้เนี่ยคุณจะเจ็บไหมเล่าคุณไม่เจ็บหรอกแต่ส่วนใหญ่อะ เขากติเขาว่าก็ด่าเอาให้เราเนี่ยส่วนใหญ่ไปรับมาปรุงไปรับมาคิดเรื่องของเรื่องอย่างนี้แหละพอเรารับมาปรุงเรารับมาคิดถ้าคิดแบบวิปัสนาคิดแล้วก็เพื่อจับจั บ, จบกิเลสตัวเองทันใช่ไหมว่าโอ้โหตอนเนี้เขาด่ามาแล้วไอ้ที่เจ็บใจตอนนี้นะเนี่ยเนี่ ย, ยตอนเนี้เราเจ็บใจเนี่ยนะหรือใจเจ็บอะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่เจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ย เนี่ยเพราะว่าเรานี่มันน้อยใจนะคุณจับคุณจับกิเลสตัวเองได้ไอ้ความน้อยใจของเรานี่เองมันถึงทำให้เราเจ็บบอกแล้วเพราะคุณยังไปหวังคุณยังไปหวังจากคนอื่นอยู่ว่าคุณทำดีแล้วเนี่ยควรได้ดีสิควรจะชื่นชมสิคุณจะยกย่องสิเพราะคุณยังไปมีความหวังอย่างนี้ถ้าคุณไม่ไปมีความหวังอย่างนี้ ต่อให้คนโดนติมาว่าเราอะไรเราอ๊เราไม่เจ็บอะไรหรอกแต่ตอนนี้เพราะเรายังมีเชื้อกิเลสพวกนี้มันเลยทําให้อดไม่ได้มันก็เลยเจ็บเพราะถ้าใครจับอย่างนี้ได้จะรู้ว่าโอ้ไอ้ที่เจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่เจ็บเพราะเขาด่าเรานะแต่มันเจ็บเพราะจิตของเราเนี่ย ที่มันเศร้าโศกมันเสียใจมันน้อยใจมันหดหูหอเหี่ยหัวใจมันถึงได้เจ็บมันถ้าใครจับตรงนี้ได้ชัดใช่ไหมพูดง่ายเห็นอัตตาตัวเองนั่นเองเห็นอัตตากิเลสตัวเองเมื่อคนที่เห็นอัตตากิเลสตัวเองอจะรู้เลยโอ้โเราบ้าเองจริงจริงอ่ะมันถ้าคุณเนี่ยไม่ไปหวังไม่ไปอะไรจากเขาคุณทําดีแล้วคุณไม่หวังอะไร สิ่งตอบแทนมาจริงแม่รอยยิ้มแม่คำสรรเสริญคุณไม่หวังจริงๆเนี่ยคุณพย า, ยามีสติแล้วคุณก็ระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอๆ เ, เลยรับรองคนจะมาด่าคนจะมาว่าหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยคุณไม่มาทุกอย่างนี้หรอกอันนี้ตามความเก่งนะถ้าใครล้างไอตัวหวังผลตอบแทนนี่ไปได้มากเท่าไหร่คนนั้นเก็บน้อยเท่านั้น แต่ใครยังล้างได้น้อยกว่านั้นเจ็บมากเพราะยังมีความหวังจากคนอื่นอยู่มากเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจอัตตาตรงนี้ได้ใจเจ็บมันไม่มีหรอกจิตของคุณจริงๆแล้วไม่ไม่มีวันต้องมาเจ็บมาจบอะไรหรอกไอ้ที่เจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ยมันพะกิเลสคืออัตตาเนี่ยแหละกิเลสที่เป็นอัตตาเนี่ยแหละที่เราบ้าไปคิด อยากให้สมหวังคิดอยากให้เป็นอย่างนั้นคิดอยากให้มันเป็นอย่างนี้แตไ่ไม่เป็นไปดังใจเราเราก็เลยต้องเจ็บเนี่ยเราก็บ้าอยู่ของเราคนเดียวเพราะถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นจะเริ่มตัดเริ่มตัดจิตตัดใจสิ่งเหล่านี้ออกไปเพพอทาอย่างนี้ได้เนี่ยคุณไม่มีวันเจ็บหรอกบอกได้เลยเรื่องนี้โอ้โหตัวอย่างมีเยอะเลย โดยเฉพาะคนที่มาอยู่กับอโศรนี่แหละมาทำงานอยู่กับโศกเนี่ยเอายกตัวอย่างก็ได้อย่างบางทีเนี่ยเอาอย่างชาวมอพวกแม่ค้าขายอาหารวันไหนขายได้มากหน่อยใจก็ฟูวันไหนขายได้น้อยอย่างก็รู้ชักไม่ค่อยมีแรงชักจะเหยียเอา้าทำไมยังให้มันมีอิทธิพลกับคุณแล้วคำ <c oughs> ทีแค่เนี้ย วันไหนมีคนไปช่วยมากหน่อยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสวันไหนประกาแล้วประกาอีกยังไม่ค่อยมีใครไปช่วยเลย <c oughs> เหนื่อยรู้สึกชักจะหมดเรี่ยวหมดแรงอีกแล้วอ้าแสดงว่าสิ่งภายนอกนี่ยังมามีอิทธิพลกับคุณมากเลยนี่นี่นี่ยกตัวอย่างชมรอเท่านั้นที่อื่นอื่นไม่ต่างกันหรอกคุณที่อื่นก็เหมือนเหมือนกันละ่ะ แม้แต่ไม่ต้องไม่ต้องในส่วนกลางแล้วนี่ก็ได้บางคนอยู่บ้านอยู่ช่องนี่แหละอดไม่ได้หรอกอย่างพ่อบ้านบางคนอย่างเงี้ยนะทำงานเสร็จกลับเข้ามาในบ้านคิดแล้วนะกลับเข้ามาคิดว่าเออเจอแฟนยิ้มยิมแล้วมาช่วยรับของหานา้มเย็นเย็นมาให้กินอะไรเงี้ยนะมาให้ดื่มเจอลูกลูกก็ทักทายอะไรเงี้ย แต่ปรากฏว่าพอกลับมาถึงโดนแฟนว่าลูกก็ขอนอนขอนี่อารมณ์เสียนะเพราะว่าตอนกลับมาเนี่ยยิ่งเหนื่อยยิ่งอะไรนะคุณไม่รู้ตัวเลยนะยิ่งเหนื่อยยิ่งอะไรพวกนี้เนี่ยไอความหวังความอะไรพวกนี้มันมันมาเลยและ่พะพ่อบอกแล้วว่ามันฝังอยู่กับคุณมายาวนานมากแล้วไอสิ่งเหล่าเนี้ยมันอดใจไม่ได้หนละ่ะคนเราเนี่ย นนทันทีเลยมันยังไม่ทันไปถึงที่อะ่ะมันคิดล่วงหน้าก่อนแหละคิดล่วงหน้าแล้วว่าจะอย่างนั้นจะอย่างงี้แล้วบอกแล้วพอไม่ไปเป็นอย่างนั้นปับ๊บมันผิดหวังผิดหวังหมุดหงิดเลยนะขอนี้เผลอๆาวนี้ก็นั่นแหละครอบครัวก็ทะเลาะเบาะแว้งหรือบางทีก็เสียงดังนะบางทีก็เผลอๆถ้าใครอารมณ์โทสะ อารมณ์ไม่ดีเพอเพออ่าเพอเพอก็ด่าว่าหรือลงไม้ลงมือเลยก็มีเหมือนกันมีเบญจอมาเคยนานแล้มีคนเคยมาถามอมาแต่ว่าก็จําไม่ได้อรตมาฟังนิทานเรื่องนี้มาจากไหนนะมีคนมาถามอรรมาก็แนะนาไปบอกเอ๊จะทำยังไงให้ที่ครอบครัวมีความสุขได้ มาก็เลยเล่าเอนิทานให้ฟังบอกเป็นยังไงอะปกติคุณอยู่บ้านคุณพูดมากก็เปล่าละฝ่ายแม่บ้านเนี่เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มัพูดมากหาพูดน้อยยากส่วนใหญ่พูดมากเพรา ะ, ะนั้นก็เลยนั่นแหละมาก็เลยเล่านิทานแบบเนี้ยมีนิทานอยู่เรื่องไม่รู้ว่าจําถูกจําผิดยังไง บอกเนี่ยมีอย่างนี้แหละโยงผู้หญิงก็ไปหาพระเสร็จแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังก็กลัวเนี่ยสามีจะไม่รักแล้วก็เนี่ยกลับมาแล้วก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยพระท่านก็ฟังเสร็จแลรู้แล้วว่าเนี่ยภรรยาพูดมากสามีเลยในที่สุดก็หงุดหงิดโมโหก็เลยต้องทะเลาะกันพระท่านก็เลยบอกอ้าทั้งนั้นเอาน้ํามนต์ไปท่านก็ให้น้ำมนต์ไป บอกเอานะพอสามีเข้าบ้านปั๊บรีบอมน้ำมน์มนเลยนะอมไว้เลยนะอืมบอกห้ามกืนนะห้ามกืนอมไว้เลยจนกว่าเรียกว่ารอบข้าวของสามีหรือว่าอะไรบริการอะไรเสร็จแล้วนะ่ะค่อยกืน <c oughs> ก็เลยปรากฏว่าไปทำไปทำเสร็จเออสามีกลับมาแล้วเออแห ม, มสบายหูกันหนึงเ <laughs> อ แล้วก็เลยปากร่อยมากก็เลยเออสถานการณ์ก็เลยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นก็เล ย, ย, ย, ย, ย, ยในที่สุดก็เลยคร อ, อบครัวนั้นก็เริ่มมีความสุขขึ้นเพราธอรมมาบอกแล้วถ้าโดยธรรมดาของคนเนี่ยมันหวังเท่งนั้นแหละคุณถึงบอกว่าถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมแล้วคุณไม่พยายามมีสติคำว่าสติเนี่ยแปลว่ารู้ตัวคุณไม่พยายามรู้ตัวทั่วพร้อมพุทธเจ้า ท่านจะใช้เต็มๆท่านใช้คาว่ารู้ตัวทั่วพร้อมถ้าคุณไม่พยายามมีตรงนี้แล้วรับรองคุณเผลอสติเมื่อไหร่เมื่อนั้นไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ไปไกลแล้วกว่าจะมารู้ตัวอีกทีบางทีโอ้โหไม่รู้มันพลาดไปไหนถึงไหนแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่พลาดธรรมดานะมันสะสมเป็นอุปท า, านสะสมเป็นอุปท า, านทันที ยิงไอ้เรื่องของความสุขสบายเนี่ยสะสมมากเลยเพราะนั้นคนจึงติดความสบายบอกแล้วว่าไอ้ที่ไม่รอเนี่ยส่วนใหญ่คนจะชอบรอมากกว่าเพราะว่าจะติดสบายให้ตัวติดสบายเนี่ะลังเป็นอุปทานอย่างมากแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จเพราะนั้นคนที่จะ เนี่ยทำตัวเองให้ดีขึ้นได้เนี่ยต้องมีความกล้านะที่จะลดความสบายของตัวเองลงนะแล้วกล้าที่จะมาทำความลำบากในเรื่องของการถือศีลในเรื่องของการตั้งตะบะเนี่ยให้มากขึ้นแล้วคนนั้นถึงจ ะ, จะเจริญขึ้นหรือดีขึ้นเพราะบอกแล้วถ้าคุณลองปล่อยแบบตามความเคยชินคุณลองปล่อยไปตามความสบาย คุณก็เหมือนเดิมมาแหละมันก็ไปเข้ารูปรอยเดิมมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกบางคนเนี่ยบอกได้เลยตั้งใจแล้วตั้งใจอีกปีนี้ก็แล้วปีที่แล้วก็แล้วพรรษานี้ก็แล้วพรรษาน้นก็นแล้วตั้งใจอยู่เรื่อยไม่สาเร็จสักทีเพราะเอาแต่ตั้งแต่ไม่ได้ลงมือทำเอาแต่ตั้งใจ แล้วคนที่ตั้งใจไม่แข็งแรงพอเนี่ยพอมันทําไปได้หน่อยมันลำบากบอกแล้วมันลำบากกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าคุณมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันลำบากกว่าเดิมราะคนที่ไม่ตั้งใจดีพอเนี่ยพอทําไปเจอลำบากหน่อยมันไม่อยากจะทําต่อทั้งทั้งที่บางทีที่เราถือศีลหรือว่าเราถือตะบะเพิ่มเนี่ยจริงๆคุณทาได้แต่คุณลาบากขึ้นกว่าเดิมบ้างแต่ตอนนี้พอคนเราเนี่ย มันเริ่มลำบากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยกิเลสมันทันทีเลยนะมันจะมาเรียกร้องเลยจะโง่ไปทำไมไปทำตัวเองให้มันยุ่งยากให้มันลำบากสู้เราอะไรอะ่ะสบายสบายดีกว่าจะเป็นอย่างนี้แหละวันไหในที่สุดคนนั้นน่ะถ้าจับจิตตัวนี้ไม่ทันแล้วก็ปล่อยไปเหมือนเดิมชาตินี้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่สำเร็จ ทังคนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเองสำเร็จได้คุณไปดูนะมันจะเป็นช่วงๆคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะแม้บางทีโหจะให้ลําบากแบบเป็นพระอาหารหันต์เลยเหรอคุณไม่ต้องห่วงหรอกให้คุณทําคุณก็ทําไม่ได้แต่ว่าให้มันลําบากขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอ น, น, นขึ้นมาตามขีดความสามารถที่เราจะทําได้คุณไปถามใจตัวเองเลยว่าทุกวันเนี้ย หลายอย่างที่เรารู้แก่ใจเราเลยว่าอันเนี้ยเราติดเนี่ยอันเนี้ยเราติดสุขเราติดสบายแล้วเรารู้ด้วยอันนี้กิเลสเราเรายังไม่ยอมปล่อยออกเรารู้ได้เลยคนอื่นอาจจะไม่รู้เราแต่เรารู้ว่าเอ้ยอันนี้นี่ควรเปลี่ยนแปลงเด้ยแล้วันนี้ควร แ, แ, แก้ไขแล้วควรจะสู้กับมันบ้างเดียแล้วไม่ใช่ปล่อยมันเป็นไปอย่างนี้เรื่อยๆ ถึงบอกว่าถ้าตาบใดใจคุณไม่แข็งพอคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรอกต่อเมื่อมันถึงจุดจุดหนึ่งที่ไม่รู้ล่ะจะธรรมะยัดเยียดให้ <c oughs> นะหรือมีใครมาควบคุม <c oughs> ความประพฤติอะไรก็แล้วแต่ล่ะแต่ในที่สุดเนี่ยมันถึงจุดจุดนั้นแล้วไม่ต้องมีใครมาควบคุมไม่ต้องมีใครมาบังคับอะไรละเรารู้เลยว่า เออเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันมั น, ม, นมันมีแต่ติดมากขึ้นนะมันยิ่งติดสุขยิ่งติดสบายมากขึ้นนะแล้วบอกแล้วว่าไอ้ที่ติดสุขสบายแบบนั้นมันเป็นอุปทานด้วยนะมันไม่ใช่ของจริงนะจริงๆแล้วมันเป็นอุปทานจิตที่เราไปสั่งสมไว้หอนถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยยิ่งมาปฏิบัติลดไอ้กิเลสอุปทานพวกนี้ลงไปได้จริงๆคุณจะมีสุขยิ่งกว่านั้นอีก จะมีสุขยิ่งกันนั้นอีกเหนือกว่าที่ที่คุณว่าคุณสุขสบายนั่นเน่ยเหนือชั้นกันเยอะเลยแล้วโอ้โหโล่งเบาสบายกั น, กนอีกหลายเท่าเลยเบาชนิดที่ว่าคุณปลอดโปร่งสดชื่นแจ่มใสคุณไม่ต้องไปห่วงกังวลอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนเดิมเลยภาระทางจิตเนี่ยหรือศัตรูทางจิตเราเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆคุณคิดดูสิถ้าคุณเป็นคนที่มีศัตรูในจิตของคุณน้อยลงน้อยลง คุณไม่ต้องหวาดระแวงมากคุณนอนก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขคุณไม่ต้องกลัวไอ้นู่นกลัวไนี่กลวยนั่นไม่อย่างนั้นน่ยใครที่ยังมีศัตรูหรือมีกิเลสมีอุปทานอะไรพวกนี้อยู่มากคุณไม่ก็เป็นสุขหรอกคุณหลับไปก็อย่างงั้นแหละมันไม่ได้สุขจริงไงหลับไปเพ้อๆคุณฟุ้งคุณฝันอะไรคุณก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ย้ําไปแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณจะรู้เรื่องเลย แล้วคุณก็จะเข้าใจด้วยคราวนี้พอมันมาปั๊บคุณจับได้เลยแล้วคุณจะรีบปรับแก้เลยคุณจะไม่ให้มันอยู่กับคุณนานเลยมีใครบ้างไหมชอบนอนอยู่ใกล้ๆกับศัตรูอ่ะมีไหมเออมาๆมาม า, มานอนข้างๆนี่คงไม่เลยนะเพราะฉะนั้นนอนกับศัตรูคุณจะเป็นสุขเหรอถ้า ถ้าตามความเป็นจริงใช่ไหมมันไม่เป็นสุขหรอกแต่พ่อยังโมหะใช่ไหมล่ะเพราะมันยังหลงนะฮะคุณถึงยังชอบนอนใกล้ศัตรูเพราะรู้สึกว่ามีความสุขดีเพราะยังเป็นความหลงนะฮะ <c oughs> บางคนเนี่ยใช่ไหมต้องนอนที่นอนสบายอะไรต่ออะไรนั่นน่ะนอนท่ามกลางศัตรูไม่รู้ตัวยังหลงว่าเป็นสุขจะเป็นสุขยังไงมันไม่เป็นสุขอะไรหรอกนะเพราะฉะนั้นวันเนี้นะฝาก โฉมสามสโฉมนี้เพราะว่าพ่อท่านก็อุตส่าห์ให้พวกเรามาพวกเราก็หน้าที่จะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะให้ได้เพราะว่าเนี่ยอย่างสุดท้ายนี่เขาบอกแล้วเพราะเราจะมาเป็นคนดีที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะถ้าใครไม่อยากเป็นคนดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็ไม่ต้องไปทํำแต่ถ้าใครคิดว่าอยากจะเป็นคนดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคนนั้นเนี่ยต่อให้คน ตอให้ใครมาห้ามไม่ให้ทำไม่ยอมจะทำไม่มีใครห้ามได้บอกช้างมาชุดก็ไม่ไ ม, ไม่ได้อะก็จะทำอ่ะคนเราเนี่ยนะพอมันมีเหมือนกับดวงตาเห็นทำหรือว่าจิตมันเข้าก็แสนะอะไรห้ามคุณไม่ได้ครจริงๆจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทรัพสมบัติเครือญาติหรืออะไรต่างๆ ห้ามคุณไม่อยู่แล้วถ้าถึงจุดจุดนั้นแล้วนะไม่มีอะไรห้ามได้เหมือนเออะไรนะผู้เจ้าเปรียบเหมือนกับใบไม้ที่หลุดออกจากครัวหลุดออกมาแล้วต่อไปอะไรไม่ได้ลเะเพราะพอมันเข้ากระแสแล้วนะมันเดินหน้าลูกเดียวเลยทั้งทั้งที่ต่อให้คนนั้นยังอยู่บ้านอยู่นะแต่รับรองเลยคุณอยู่บ้านนั่นแหละแต่คุณเดินหน้าไปเรื่อยเลยเดินหน้าไปเรื่อยเลยเรื่องการปฏิบัติธรรมนี่คุณไม่หยุดเลย เพราะว่าพอมันเข้ากระแสแล้วนะคุณไปทําแบบเก่าๆอะ่ะไอ้ที่คุณบอกว่าเคยมีความสุขความสบายนะมีเงินเยอะๆหรือว่าแหมได้นอนที่สบายๆายได้มีรถเกง๋งได้มีข้าวของเครื่องใช้อะไรมันจะกลับตาลปัดเลยมันกลายเป็นไม่มีความสุขมันกลายเป็นทุกข์บอกได้เลยว่าคือตาของสัจจะเนี่ยมันเห็นความเป็นจริงว่ามันกลายเป็นทุกข์มันกลายเป็นพาละมันกลายเป็นของที่เราต้องแบกบ ของกินเราอะไรจะต้องมาขอผวงจะต้องมายึดถืออะไรต่ออะไรไม่อยากเอาเลยบริจาคได้บริจาคเลยอ่ะจริงๆถ้ามันเข้ากระแสแล้วเนี่ยมันเป็นไปเองเลยนี่คือสัจจะนะ้นิ่งก็หวังว่านะสามสลกนี้ก็อาจจะช่วยให้หน่าพวกเราได้ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นวันนี้ของพอเถอะเนี่ย